วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นขั้นตอนขั้นที่หนึ่งของการบำเพ็ญเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ทุกคนที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทุกคนที่ปรารถนามรรคผลนิพพานจำเป็นจะต้องบำเพ็ญทาขั้นที่หนึ่งนี้คือการฟังเทศฟังธรรมที่เรียกว่าปริยัติธรรมแปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เ พ, เพราะทมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนความรู้ที่จะสอนให้ผู้ปรารถนาการดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดปรารถนามากผลนิล่พานได้รู้ว่าจะต้องบำเพ็ญอย่างไร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 ก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้การศึกษาจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากต่อการบาเพ็ญต่อการปฏิบัติพอถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ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 รักษาศีลให้บริสุดได้ตลอดเวลาบางครั้งก็อาจจะมีการพังเผลอ์ทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งได้อันนี้เป็นการปำเพ็ญในขั้นต้นหลังจากที่เราได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ การที่เราจะบรรลุมากผลนิพพานได้เราจำเป็นจะต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนากันดังน้นในเบื้องต้นเราก็อาจจะบำเพ็ญไปตามฐานะตามโอกาสของเ<ม> ท, ท่าที่เราจะทําไปได้ไปก่อนทําทานไปตามวาระตามโอกาสตามกำลัง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 คาดไปหมายไม่ต้องไปคิดถึงให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อันนี้เป็นการปฏิบัติขั้งแรกขั้นต้นๆการนั่งสมาธิก็ต้องมีขั้งแรก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 เพราะเรารู้ว่าการกระทําเหล่านี้จะนําไปสู่ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเมื่อใจเรามีแต่ความปรารถนาดีมีความามีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันความสุขแล้วเหตุไฉ น, นเราจะมาทําให้คนอื่นเดือดร้อนได้อย่างไรการรักษาศี่ห้าก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ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 ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีรับรองได้ว่าจะได้บรรลุบัคผลนิพพานกันอย่างแน่นอนนี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดที่บรรลุบักผลนิพพานก็เกิดจากการทำจากเล็กจากน้อยไปหามากนั่นเอง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 ถ้าไม่มีสุปฏิปันโนผลก็จะไม่เกิดสุปฏิปันโนก็คือการปฏิบัติทุกแบบเต็มที่นั่นเองเต็มร้อยไม่ใช่ปฏิบัติแบบครึ่งคกลางๆลางถ้าปฏิบัติแบบครึ่งๆึกลางๆก็จะได้ผลครึ่งๆกลางกลางถ้าอยากจะได้ผลเต็มร้อยอการปฏิบัติเหตุก็ต้องเต็มร้อยเช่นเดียวกันผลถึงจะเป็นเต็มร้อยได้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 ขั้นที่สองต่อจากขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นปริยัติเนี่ย <Yeah. S 1> เมื่อเราได้ศึกษาแล้วเรารู้แล้วาลลหายสงสัยแล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเราก็ต้องเข้าสู่กระ บ, บวนการของการปฏิบัตินถ้าเราไม่ปฏิบัติเรารอให้ผลเกิดขึ้นเองเพราะคิดว่าเราได้ศึกษาแล้วเมื่อเราได้ศึกษาแล้วผลมันน่าจะเกิดขึ้นมาเองผลมันไม่เกิดขึ้นมาจากการศึกษา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 ขั้นที่สามก็จะตามมาคือปฏิเวทปฏิเวทก็คือการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติผลที่ได้รับจากการปฏิบัติก็มีมรสีผลสี่นิพพานหนึ่งนี่เองมรสีมรสมีสี่ขั้นมีบันไดสี่ขั้นด้วยกันเพราะผลที่จะได้จากมรสีก็มีอยู่สี่ขั้นอ มรขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาปฏิมรเมื่อก้าวขึ้นสู่โสดาปฏิมรไปก็จะไปถึงโสดาปฏิผลมร ก, ก็คือการบำเพ็ญปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทำขั้นของพระของขั้นโสดาบัานนั้นเองก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธินีจะเหมือนกันทุกขั้น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 ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้เกิดมีการวิเวทนาต่างๆปรากฏขึ้นมามีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเป็นต้นผู้บำเพ็ญจะต้องใช้ปัญญาแยกกายแยกเวทนาออกจากผู้บาเพ็ญคือใจให้ได้ให้รู้ว่าผู้บำเพ็ญคือใจนี้ไม่ได้เป็นกายไม่ได้เป็นเวทนา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 สะเดาะความทุกข์ต่างๆทําไม่ได้เพราะความทุกข์ไม่ดับจากการที่เราไปาไปทําพิธีการสะดเดาะเคาะประดับความทุกข์ต่างๆความทุกข์ดับจากการที่เราหยุดความอยากของเราผู้ที่เห็นอริยสัจสี่ก็จะไม่ไปทําพิธีสะดเดาะเคาะอะไรต่อไปเวลาทุกข์ก็มาพิจารณาหาต้นเหตุสาเหตุของความทุกข์ว่า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 คือรูปราคะคือการมาราคะและปฏิฆะการมาราคะก็คือความอยากเสกกรามความกำหนัดยินดีกับการเสกกามกับการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นพอเกิดความเกิดการมาราคะมันก็จะมีปฏิฆะตามมาความหงุดหงิดลำคาญใจเมื่ อ, เ ม, อเมื่อยังไม่ได้เสกมันก็ยังหงุดหงิดอยู่ แต่พอได้เสพแล้วความหงุดหงิดก็จะหายไปปุตุชนผู้ที่ไม่เข้าใจว่าการกระทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นวิธีดับความหงุดหงิดนำคาญใจเป็นเพียงแต่การบรรเทามันชั่วคราวเท่านั้นก็จะไม่รู้ก็จะบำบัดด้วยการทําตามความอยากอยากจะเสกกรรมก็เสกกันพอได้เสกกรรมความหงุดหงิดนำคาญใจก็หายไป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 เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวชาฟอกฟกสีเขียวช้ำไปตามตัวมีน้ำมีเลือดน้ำเลือดน้ำหนองอะไรไหลออกมาได้เห็นร่างกายที่สวยงามกายเป็นซากศพ ม, มันก็จะดับกามาอารมณ์ได้หรือจะมองเข้าไปภ า, ภายในของร่างกายก็ได้ดูอวัยวะต่างๆใต้ผิวหนังใต้เนื้อใต้เนื้อก็มีกระดูกข้องกระดูก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 สังโยชน์ที่มีห้าข้อที่พระอนาคามีต้องบำเพ็ญต้องบำเพ็ญคือารูปราคะความยินดีในรูปฌปานอรูปราคะความยินดีในอรูปฌา น, นะมานะณะการถือตัวอวิชชาความไม่รู้การไม่รูอออ้อริยสัจสีคือยังการยังไม่รู้การ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 ต้องรู้จักภักจิตไม่เช่นนั้นพิจารณาแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอุทธาจาะความฟุ้งซ่านแล้วจะไม่เกิดประโยชน์จากการพิจารณาลองพิจารณาพอสมเหตุสมผลพอสมกับกําลังของจิตถ้าจิตเริ่มฟุ้งก็ให้หยุดแล้วกลับมาทําจิตให้สงบก่อนพอออกจากความสงบก็มาพิจารณาหาตัณหาความอยากที่ยังมีอยู่ให้หมดไปความอยากในรูปราคะ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 คือเมื่อได้กำจัดอรัตรผลก็คือการละสังโยชน์ที่เหลืออยู่ห้าข้อให้หมดไปพอสังโยชน์ห้าข้อได้ถูกกำจัดหมดไปที่เหลือก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่ก็เลยเรียกว่านิพพานไม่ได้เป็นอรัตรผลอรัตรผลคือการกำจัดสังโยชน์ห้าข้อแต่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสังโยชน์ทั้งสิบข้อเรียกว่านิพพาน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 เป็นปฏิเวทนี่เองนี่คือหลักธรรมหลักการบําเพ็ญสู่การหลุดพ้นคือหนึ่งปริยัติธรรมสองปฏิบัติธรรมสามปฏิเวทธรรมเนี่ยธรรมทั้งสามท่านนี้เป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ที่เราจําเป็นที่จะต้องบําเพ็ญไปตามขั้นตามตอนจึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในธรรมทั้งสามนี้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 เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพตุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามนิโชติระโสยทาสสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตรายูสุขีทีคายยโกภวะอภิวาธนสีลิะนิจังวุทธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลั ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ตอนนี้ไปจนถึงตอนเลิกประชุมเลยแต่พอหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ของยุติการถามตอบปัญหาถ้าใครมีก็เชิญมาถามได้บนศาลานี้เรามีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดเพื่อผู้ฟังทั้งหลายจะได้ยินคำถามกันอย่างชาัดเจน ถ้ายังไม่มีจะให้ผู้ที่ติดตามอยู่ทางบ้านถ่ายทอดสดทางเ c e b o o k กับ YouTube ได้ส่งคำถามเข้ามาวันนี้ทางเฟซเข้ามาเท่าไหร่ Facebook สูงสุดสามรอยสามสิบสาคนคะ่ะตอนนี้หนึ่งสิบเ็ดค่ะแล้วทาง YouTube YouTube สูงสุดหกสิบหกคนคะ 66, ่ะบหกตอนนี้เหลือห้าสิบอ็ดคนคะ่ะแล้วก็คลิปธรรมะบนเขาทีวีคะ่ะมีเมื่อชาวที่โพสต์ไป เรื่องเกี่ยวกับ เ, เกิดชาติหน้าจะได้พบศาสนาพุทธไหมมีผู้เข้าชมตอนนี้ประมาณสามหมื่นกว่าคนนะคะชมเรือรร่อับรู้เข้าถึงมัเขาถึงเข้าถึงแล้วก็คลิปเรื่องเกี่ยวกับการทำสังฆทานค่ ะ, ะไม่ต้องละไม่ต้องรายงานแล้วค่พอแล้ว <laughs> <laughs>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 อัในใดเราก็ต้องการจะเข้าถึงแก่นเราก็ต้องเข้าด้วยการทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาอย่างที่ได้แสดงไวในวันนี้คำถามฝักถามจากทางบ้านค่ะจากคุณนงลักษ์เวลาที่เราทำบุญไปแล้วแต่เราไม่รู้สึกเกิดตีตีสักครั้งแต่เราก็ทำเป็นประจําเรื่อยๆจะได้บุญหรือเปล่าคะได้คือเราชินกับบุญที่เราทํา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 ลองให้ทั้งหมดเลยลองสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปถ้าไม่เกิดปติให้มาเหยียบหน้าได้อย่าไม่เยียบหน้าเพราะเราเคยมาแล้ววันที่เราตัดสินใจบวชนี่มันไม่มีอะไรปติเท่ากับวันนั้นเลยท้องฟ้าแจ่มใสไั้หมดมองเห็นบนเมฆอะไรแสงสีผ้าทิศนี่มันสดใสสวยงามยังไม่เคยเห็นมาก่อน ลองทำดูแล้วกันลองตัดสินใจออกบวช ด, ดู <laughs> เวลาที่มีเมตากับเด็กทำงานในบ้านเรากับมีความรู้สึกเข้าไปในใจมากเห็นรู้แล้วก็วางแล้วก็เฉยถ้าเป็นแบบนี้จะทำอะไรต่อไปเพื่อการสะสมบุญเพื่อทางแห่งการพ้นทุกข์ค่ะการเฉยนี่ก็คือสุดยอดของบุญการที่เราปฏิบัติทั้งหมดนีก็เพื่อให้ใจเราเฉยนั่นเองเฉยกับทุกอย่าง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 แล้วเขาก็ไม่จุดเทียนจุดเทียนเดี๋ยวก็เป็นกังวลภาวะกังวลเกิดขึ้น <Okay. S 1> เดี๋ยวนั่งไปแล้วเดี๋ยวเกิดเทียนมันไหมพื้นไหมอะไรขึ้นม า, าส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติจะนั่งในที่มืดกันจะไม่จุดธูปจุดเทียนอะไรนะอย่างนั้นจะจุดสติตัวเดียวจยดให้มีสติขึ้นมาเนี่ยตัวที่ต้องจุดคือสตินะอย่างอื่นไฟจะเปิดหรือปิดไม่เป็นไร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 เช่นเวลาของเสียนี่ก็แสดงว่ามันมันเ ร, เราควบคุมบังคับน่นไม่ได้แล้วเพราะเราไม่อยากให้มันเสียนะแต่มันก็ต้องเสียเนให้เรารู้ไว้เผื่อเวลาที่เราควบคุมมันไม่ได้เราจะได้ทำใจได้ถ้าเราไม่ทำใจเราก็จะเสียใจล้องห่มร้องไห้เช่นร่างกายของเราร่างกายของคนที่เรารักเวลาเขาตายไปถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอนัตตาเราก็เราก็จะเสียใจ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 ได้แต่คนละช่วงเท่นั้นเองชั่วโมงนี้เรานั่งสมาธิชั่วโมงต่อไปเราก็ไปวิปราสนาไปพิจารณาดูเช่นอยากกาแฟก็ลองอยากไปดื่มกาแฟดูดูซิว่าทุกข์ไม่ทุกข์ถ้าไม่ดื่ม้วไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราตัดความอยากได้ถ้ายัางตัดถ้าอยากแล้วยังไม่ได้ดื่มแล้วทุกข์ก็แสดงว่ายังตัดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิมีกาลังไม่พอ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 คำถามจากผู้ไม่ขอออกงามตอนนี้ยังทํางานอยู่อาศัยการเจริญสติตลอดวันไปก่อนเท่าที่ทําได้และนั่งสมาธิช่วงเช้าและก่อนนอนแต่ชั่วโมงการนั่งจะไม่ยาวเหมือนรางงานไตรภาวนาคนที่ทํางานแต่อยากปฏิบัติทำด้วยอาศัยทําอย่างนี้ก่อนได้ไหมคะเพื่อให้การปฏิบัติไม่ถดถอยไปมากอพยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เวลาใที่เราเอาไปใช้กับกิจกรรมที่เราเลิกได้ก็เลิกทำกิจกรรมนั้นเสียไปดูทีวีไปดูละครไปทำอะไรที่เราสามารถาดึงอามาใช้กับการภาวนาได้เราก็ดึงออกมาใช้กับการภาวนาเพราะประโยชน์สุขที่จะได้รับมันได้มากกว่ากันนั่นเองคำถามจากคุณปาล์มผมบริกรรมพุทธโทและทำความรู้สึกให้อยู่กับลมหายใจ จนรู้สึกว่าลมหายใจหายไปผมก็บริกรรมพุทโธต่อไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกเหมือนกําลังนอนหลับแต่รู้สึกตัวตลอดและก็นิ่งไม่คิดอะไรนี่เรียกว่าอาการตกกลุ่มตกบอดหรือเปล่าครับหรือผมต้องดึงพุทโธกลับมาบริกรรมต่อเพราะตอนนั้นอยู่ๆผมก็หยุดนึกพุทโธเองเหมือนพุทโธหายไปถ้ามันสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งอะไรแล้วมีความสุขก็ใช้ได้ก็เป็นความสงบเหมือนกัน ความสงบบางครั้งก็อาจจะไม่ต้องตกลุมตกบ่ ก, ก็ได้หรือ ว, ว่ามันยังไม่สงบเต็มที่มันแง่สงบไม่ไ ม, ไม่ไม่เต็มที่ก็อาจจะเป็นในลักษณะที่เป็นอยู่ <c oughs> ก็นั่งเฉยๆไปถ้ามันนั่งเฉยๆมีความสงบมีความเย็นสบายก็ไม่ต้องทําอะไรให้นั่งไปนานๆฝึกความนั่งฝึกความนิ่งไว้รักษาความนิ่งไว้เพราะความนิ่งแหะเป็นอาวุธที่เราจะสู้กับกิเลส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 มันจะเป็นกิเลสก็ต่อเมื่อมันทําให้เราไม่สบายใจทุกข์ใจดันั้นบางทีเราต้องยืนอยู่บนหลักของความเป็นจริงตอนนี้ถ้าเราไปวัดไม่ได้เราต้องทํางานก็อย่าไปอยากไปวัดเวลาไปวัดได้กลับไม่อยากไปเนี่หน้าตีอยากไปเที่ยวแทนในชะ่ไหมพอเวลาไปทํา ง, งานอยากจะไปวัดขึ้นมาทอันนี้มันเรื่องกิเลสเข้าใจไหมดังนั้นบางทีเราก็ต้อง ความอยากไปวัดนั่ดดีแต่มันต้องถูกกาลาเทศะแล้วไม่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราถ้าอยากไปวัดตอนที่เราต้องทํางานเนี่มันเป็นกิเลสละพอมันไม่อยากทํางานมันก็เลยอ้างไปวัดกันพอพอไม่ได้ทํางานแทนที่จะไปวัดกลับไปช็อปปิ้งกันซะนะหรือ <c oughs> ไปวัดซะนะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องระมัดระวังคือความอยากทําบุญความอยากไปวัดไปปฏิบัติธรรมนี่เป็นความอยากที่ดีแต่มันต้องมีกาลาเทศะ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 ค ำ, คำถามจากคุณประหยัดนั่งสมาธิภาวนาพุทโธโดยตั้งนาฬิกาปลุกไว้หนึ่งชั่วโมงทําถูกไหมครับถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องไปไหนเราต้องอก็ต้องตั้งนาฬิกาไว้ก็ได้เพราะถ้าเดี๋ยวเกิดเรานั่งเกินแล้วเราจะขาดกิจวัตรที่เราจําเป็นจะต้องทําเช่นเรามีนัดกับใครอะไรจะเสียนัดได้ยังั้นก็จําเป็นก็ต้องติดตั้งนาฬิกาปลุกไว้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 กังวลกับเรื่องนาฬิกาเฮ้เราตั้งแล้วมั น, ม, นมันดังหรือเปล่าไม่ควรจะดังต้องนานแล้วก <laughs> ็เลยลุกขึ้นมาดูอะไรงั้นถ้าไม่จําเป็นอย่าไปยุ่งกับมันดีกอย่าไปตั้งอย่าไปอะไรตั้งสติดีกว่า <laughs> เอาสติดีกว่า เ, เพราะเราต้องการผลผลจะเกิดก็เกิดจากการมีสติไม่ใช่เกิดจากการมีนาฬิกาปลุกคําถามจากคุณลินลี่คนที่ภาวนาสําเร็จเร็วเกิดจากบุญเก่าด้วยหรือเปล่าคะก็มีส่วนคะับคนที่เคยทํามาก่อนมีความชานาญแล้วคนที่ขับรถเป็นแล้วพอมาขับก็ไม่ต้องมาเริ่มต้นะมาถึงก็ขับได้เลยอ คนที่ยังไม่เคยขับก็ต้องมาขับก่อนก่อนคนที่ไม่มีสติก็ต้องรับฝึกสติกันก่อนคนที่มีสติแล้วบางทีนั่งเฉยๆก็สงบนะพระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครมารุมล้อมไม่มีใครมาบรบกวณใจทางจิตก็รวมเข้าไปเองโดยอัตโนมัตินะเพราะจิตมีสติคอยหยุดความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่มีอะไรมากระตุ้นให้คิดมันก็เลยไม่คิดพอไม่คิดมันก็เลยเข้าสู่ความสงบไป อันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าของพวกเราในทรงบำเพญ็ญบุญบรารมีมาอย่างมากมายจึยงทําให้การบำเพ็ญของท่านนี้ง่ายมากสละทรัพย์สมบัตินี้ก็ง่ายมากเห็นไหมพระเวชสันดนรเคยเป็นพระเวชสันดรมาก่อนพอมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะสละ ร, ราชาสมบัติก็เลยง่ายมากเคยทํามาแล้วมีกษัตริย์คนไหนบ้างที่ในปัจจุบันนี้สละราชาสมบัติกันไม่ไมี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 ขณะนั่งสมาธิรู้สึกมือหนักรู้สึกจิตสงบแทบจะไม่หายใจให้ทําอย่างไรคะหนูกําหนดพุดโทโธแล้วพยายามกําหนดรู้ที่ลมหายใจถูกไหมคะเอาอย่างเดียวเลยครัพระพุทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องสนใจอาการของร่างกายมันจะหนักจะเบามันจะลอยหรือจะจมก็ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นเพียงความรู้สึกให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปด้ถ้าจะดูลมก็ให้ดูลมไปอย่างเดียวอย่าสลับไปสลับมาเอาอย่างใดอย่างหนึง่ง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 รู้สึกว่าตัวเองเผลอจึงรื้นตาทันทีทําให้ปวดหัวบ า, บางครั้งก็เห็นในสมาธิเป็นภาพพระพุทธรูปควรจะทําอย่างไรคะก็ที่ตอบไปแล้วไงไม่ควรไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นให้อยู่กับลมและอยู่กับพุทโธ ท, ที่เราใช้กํากับใจเพียงอย่างเดียวจนกว่าใจจะสงบนิ่งว่างไม่มีอะไรคาขานจากคุณเลิฟธรรมะ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 สนใจชอบนั่งสมาธิไหมยอยากจะลองนั่งสมาธิไ<ร>หม<ร>ก็คุยกันเหมือนกับชวนไปเที่ยวชอบไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไหมยอยากจะไปไหมถ้าไปก็จะพาไปหลายท่านน้องนั้นอยากจะไปสวรรค์ไหมอยากจะนั่งสมาธิไปสวรรค์ไหม<ร>ถ้าอยากก็ลองมานั่งกันคุยกันแต่อย่าสอนอย่าสั่งอย่าบอกเพราะแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่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 มีทั้งมันมีเหตุมีปัจจัยหลายด้าน <c oughs> เหตุปัจจัยเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับเหตุการณ์แเราก็ไปควบคุมบังคับไม่ได้บางทีก็ไปเจอคนที่ดีบางคนก็เจอคนที่คนไม่ดีห <c oughs> ลายอย่างก็ จ, จะเป็นวิบากของเรา <c oughs> เว็นกรรมของเราที่เคยทํามาในอดีตมันก็มีส่วนแต่การภาวนานี้มันจะทําให้เรารับกับเหตุการณ์ได้ดีขึ้นคือจิตใจเราจะไม่วุ่นวาย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 ตั้งด้วยการปฏิบัติเท่านั้นต้องตั้งด้วยการกระทั่มคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายจะคุณอริสาเวลาที่จิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านปัญหามากมายมารุมเราเราควรจะสวดมนต์หรือว่าฟังธรรมคะก็แล้วแต่ถ้าฟังธรรมทำให้เราสงบได้ก็ฟังธรรมไปถ้าสวดมนต์แล้วทำให้ใจเราสงบได้ก็สวดไปได้ทั้งสองวิธีมีอะไรไหมหมดแล้วนะ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 ชาติที่แล้วเนี่ยเมื่อเป็นญาติชาตินี่ตรงสิ่งที่มันบาทีไม่รู้สังเกตดูว่าไม่ได้ต่อทันีมันจะเว้นบาองค์ก็เว้นไปตั้งนานถึงไดมาเก็แค่เหมือนมันมีอะไรมาเศรกิจตรงที่เว้นนั้นมันขาดหายไปไงไม่ฟังเว้นยังไงคือคือสมมติเกิดมาเนี่ยคืะสองกล่าวมาคือไม่คือไม่ได้มาปฏิบัติธรรมทันทีนะคะบางองค์ก็ไปถึงตอนแก่เลยอะไรอย่างเงี้ยบางองค์ก็มาต่างส่วนที่ช่วงที่หายไปนั้น มันก็มีมีหลงทางไปได้บ้างเพราะจิตบางทีมันยังไม่ไม่มาทางนี้ร้อยเ็ตมันยังไปทางอื่นได้อยู่แล้วถ้ามีเหตุการณ์มาดึงให้มันไปทางอื่นมันก็ไปทางอื่นก่อนแต่ถ้าเป็นแบบที่มาทางเดียวนี่มันก็จะมาทางเดียวแต่แบบที่ว่ามันยังไปทางน้มาทางนี้บ้างมันมีมันก็แล้วแต่เหตุการณ์พาไนแต่ละคนไม่เหมือนกัน <c oughs> บางคนนําเพลินม า, มาบารอิมามากใครจะชวนไปไหนก็ไม่ไปบางคนก็ไม่มากพอใครชวนไปไหนก็ยังไปอยู่ก็มีหรือเหตุการณ์พาไปก็มีครอบครัวอยู่กับครอบครัวครวอบครัวก็เป็นอย่างนั้นก็ไปกับเขาไ <c oughs> ปบางกาจะไปสะดุดไปเจอความทุกข์ขึ้นมาหรืออะไรแล้วก็อาจจ ะ, ะทําให้กลับมาทางนี้ ยังแค่วัดวิหาแต่ละคนันไม่แน่นอนผูก ข, ขาว่าต้องไปมีเมียก่อนก อ, อมีเป็นชู้ก็เลยเห็นทุกข์ก็เลยไปบวช ด, ดีกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันหลตามหาบวชก็ไม่เคยคิดจะบวชแต่ก็บวชให้พ่อให้แม่พอบวชปั๊บไปเจอธรรมไปเจอพระสอนธรรมา ก, ก็ติดใจศรัทธา ก็บวชต่อไปอยู่ต่อไปเพนั้นมันมีหลายปัจจัยด้วยกันไม่ใช่แต่บา ร, รมีเก่าเปียอย่างเดียบา ร, รมีเก่าก็มีมากมีน้อยต่างกันด้วยมันถึงไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็รออยุยี 29, ่สิบเก้าเตงจะบวชรอให้มีลูกก่อนพอไมีลูกก่อนอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปแล้วจําได้แล้วว่าท่านยัน ตอนเด็กๆที่ท่านอาารไปเจอพี่ลูกเพื่อนตายใช่ไหมคะตรงนั้นมันจะทบ แ, ะแต่ท่านอาจรยเว้นไปทั้งนา น, น, น ก, ก็ยังไม่มีโอกาสไปเจอพระเจอวัดเนี่ยมันอยู่โรงเรียนคิดแล้วก็ต้องเรียนหนังสืออะย่างมันก็มีชีวิตของมันอยูย่มีเหตุการณ์ที่ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นตัวเองได้พ่อแม่ก็ไม่พาเข้าวัดไม่รู้จะไปหาวัดไหาพระที่ไหนไม่รู้ว่าวัดมีอะไรตอนนันยังไม่รู้ เพียแต่รู้เรื่องของการตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาชนมีความันก็มันก็ไปตามตามเราต้องสนใจทางโลกสนจะอยากจะเรียนจบพรเห็นคนเลิกเรียนจบป ร, ริญญาแล้วทางานสบายคนที่ไม่จบมันก็ทํางานลำบากดังนั้นก็อยากจะเรียนจบป ร, ริญญา แล้วก็พอดีเห็นมีเพื่อนเพืนเขาไปเมืองนอกก็อยากจะไปเมืองนอกก็ตามอยากมันก็ไปทางนี้ก่อนพอมันไปเมืองนอกเรียนจบน้ําเห็จแล้วกลับมาบ้านแล้วมันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะให้เราหลุดพ้นจากความชโชคร้างแต่มันก็เลยต้องศึกษาหาก็เลยอ่านหนังสือหา หาหนังสือมาหาทางต่อไปก็ไปเจอพระพุทธศาสนาก็ก็เลยไปเลยพอได้เจอถาเจอหนังสือพระพุทธศาสนาก็ไป เ, เก็บไปได้ไนดะ้ เราจะปิดไฟแล้วนะผู้ชมปิดประชุมเติมน้ำเติมไฟองประหยัดไฟหน่อยไม่ร้อนไม่ร้อนอ่ะรอนเย็นพัฒนาการของโลก ต้องไปชาดไงก้องมีชาดแบบมีแบบมีแบบอย่างนี้แล้วก็มันเป็นไฟน้อยมันก็เลยแบบตัวนิดเดียวสามารถใช้ได้กลับบ้านได้แล้วเดนหน้าเจอกันมา